ผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุและเมื่อสามารถเข้าถึงจุดที่เรียกว่าวสีคือมีความชานิชำนาญในการที่จะเข้าสมาธิในการที่จะออกจากสมาธิตลอดถึงในการที่จะให้สมาธิดารงอยู่ด้วยเวลาเท่าไรมีความเข้าใจ ด้วยการพินิษฐพิจารณาถึงส่วนที่เป็นโทษและส่วนที่เป็นคุณแก่สมาธิและมีความชำนิชำนาญในการที่จะออกจากสมาธิได้จนถึงความชำนาญเหล่านั้นได้เพิ่มสูงขึ้นไปบุคคลผู้ปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าก้าวสู่บันไดแห่งธรรมที่จะนำความสุข และความรู้ให้บังเกิดขึ้นในขั้นตอนนั้นๆผลโดยจรงของสมถกรรมาฐานอยู่ที่การสงบระงับนิวรธรรมทั้งห้าประการดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วในสวนที่ว่าด้วยสมาสมาธิแต่เรื่องของกุศลละธรรมนั้นก็เข้าในสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้ ว่ากุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งที่ยังไม่เกิดเมื่อบุคคลได้สร้างกุศลธรรมอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นกุศลธรรมอย่างอื่นก็จะเกิดสืบต่อจากกุศลธรรมเหล่านั้นอนาปานสติกมรมฐานเป็นบันไดธรรมที่จะนำจิตใจของบุคคลเข้าสู่ความสงบและความรู้โดยลำดับ และเมื่อถึงจุดอันเป็นเป้าหมายของสมถกรรมฐานแล้วต่อแต่นั้นผลที่เกิดสืบเนื่องกันมาก็จะปังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติดังนั้นท่านจึงแสดงส่วนที่เรียกว่าอานิสงส์ได้แกบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเอาไว้เป็นชั้นๆคืออานาปานสติ ที่มีสมาธิคือความสงบเป็นอานิสงส์หมายความว่าเมื่อถึงจุดนี้แล้วองค์ของฌานที่ปรากฏภายในจิตผู้ปฏิบัติจะทำหน้าที่สงบนิวรณ์ทั้งห้าประการออกไปสาบใดที่ฌานยังมีอยู่นิวรณ์ก็กำเริบขึ้นมาไม่ได้ ในระยะเวลานั้นแม่บุคคลจะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเป็นต้นก็ตามแต่ความกำหนัดรักใคร่ยินดีและความไม่พอใจเป็นต้นจะไม่เกิดขึ้นภายในจิตเพราะเชื้อกิเลสภายในได้ถูกสงบออไว้ด้วยกำลังแห่งใจและผลที่บุคคลจะสัมผัสได้ต่อจากนั้น ก็คือความประณีตความสงบแผ่งจิตจิตใจมีความเยือกเย็นเพราะไม่ถูกเพลิงกิเลสแผดเผาให้ ร, ร้อนร้อนเวลาอากุศลและธรรมผ่านมาภายนอกคือมากระทบจากภายนอกเนื่องจากภายในเชื้อกิเลสถูกสงบไว้ดังที่กล่าวแล้วจิตก็จะมีปฏิกิริยาโต้อตอบ ตอกิเลสเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาสู่จิตได้แม้จะเกิดขึ้นก็ตกไปจะเกิดขึ้นก็ตกไปเข้าในทํานองหยาดน้ำที่ตกลงบนใบบัวก็ต้องกลิ้งกลับไปและอานิสงส์ในชั้นต่อไปก็คือมีวิปัสสนาได้แก่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้น การปฏิบัติกรรมฐานในทางศาสนาที่ท่านเรียกวาชาตินั้นก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเรียกว่าอารามณูปนิชฌานคือการเพ่งดูอารมณ์ต่างๆทรงจำแนกว้โดยวิจิตพิสดารถึง40อารมณ์ด้วยกันเน้นหนักไปที่ให้ใจสงบจากนิวรทั้ง5ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นกรรมาฐานส่วนนี้จะเป็นข้อใดก็ตามมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือสงบนิวรและเมื่อสามารถสงบนิวร์ได้แล้วก็จะก้าวไปที่จุดหนึ่งที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาส่วนดูลักษณะต่างๆของนามและรูป สิ่งที่เรียกว่าน้ำในรูปนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็กรุงกันอยู่สองฝ่ายคือไม่เป็นนามก็เป็นรูปถ้าไม่เป็นรูปก็ต้องเป็นนามการที่จิตของบุคคลไปยึดติดมีความเร่าร้อนกระสับกระส่ายไปในเรื่องนั้นๆก็เพราะความหลงไม่เข้าใจในรูปนามนั่นเองจิตจึงเกิดความกำหนัด เกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาในอารมณ์เหล่านั้นเป็นการเพิ่มเชื้อของกิเลสให้สูงขึ้นเพิ่มความทุกข์ความเร่าร้อนให้สูงขึ้นแต่ถ้าบุคคลรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วก็จะเข้าใจชัดถึงนามารูปเหล่านั้นว่าโดยสภาวะที่แท้จริงแล้ว เป็นเพียงภาพมายาเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเมื่อเข้าไปใกล้ชิดแล้วก็ไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันคล้ายๆกับบุคคลนั่งรถไปบนถนนในเวลาที่แดดร้อนมองไปข้างหน้าจะเห็นถนนมีความสวยงามเป็นมันมาเมื่มแต่ภาพเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริง แกจะอยู่ไกลตลอดไปเมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็เป็นภาพถนนที่ครุกคลมีส่วนผสมนานาประการเรื่องนามรูปก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นเพียงมายาเป็นเพียงการกำหนดหมายเป็นเพียงความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นภายในจิตแล้วให้รายงานไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, น สิ่งที่เป็นนามารูปนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือพวกของขันห้าสิ่งที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็ถือว่าเป็นรูปสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยใจเช่นความรักความโกรธความเมตตาความอิจฉาริษยาเป็นต้นก็ถือว่าเป็นพวกกลุปนามดังนั้นในขันทางห้านั้น ที่บุคคลไปยึดไปถือไปกำหนดหมายว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราในลักษณะต่างๆนั้นจึงเป็นการเข้าใจไม่ตรงตามความเป็นจริงแห่งนามรูปเรานั้นพระบุมรีพระภาคเจ้าทรงสอนเป็นอุปมาให้บุคคลสดูขันทั้งห้าว่า รูปนั้นเปรียบเหมือนฟองน้ําที่ก่อตัวขึ้นแล้วโอกาสหนึ่งก็จะต้องแตกสลายไปเวทนาคือความสวยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามเปรียบเสมือนตอมน้าเล็กๆที่โอกาสจะแตกดับไปนั้นเร็วกว่าฟองน้ําสัญญาคือความจําได้หมายรู้ก็เปรียบเหมือนกับพยับแดด หรือเปรียบเหมือนภาพท้องถนนจากที่กราบนะครับเมื่อเข้าไปใกล้จริงๆภาพเหล่านั้นก็ไม่มีและจะถอยห่างออกไปตลอดเวลาสังขารนั้นก็เปรียบเสมือนกอกกล้วยที่บุคคลมองแล้วก็เป็นรูปของกอกกล้วยมีก้านมีกาม ก, า ม, กามีอะไรสารพัดแต่เมื่อบุคคลเอากาบกล้วยนั้นออกไปโดยลำดับ จะเห็นว่าความเป็นกอกล้วยไม่ได้มีอยู่เลยคันธาตุอายตนะทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการเกาะกลุ่มเป็นการรวมตัวอย่างมีสัดส่วนของดินน้ำลมฝ่ายเป็นต้นแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้แยกตัวออกจากกันความเป็นคนเป็นสัตว์ก็มีอยู่ไม่ได้วิญญาณคือความรู้ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้น เป็นเพียงภาพมายาซึ่งบุคคลอาจจะปรุงแต่งอาจจะคิดเอาได้ในลักษณะต่างๆแต่ที่จริงแล้วภาพเหล่านั้นไม่ใช่ข้อยุติว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างว่าบุคคลหลายคนมองก้อนเมฆก้อนเดียวกันก็จะเห็นภาพเหล่านั้นไม่เหมือนกันมองต้นไม้ต้นเดียวกันแต่มีความรู้สึกในต้นไม้นั้นไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นจิตของบุคคลแต่ละคนว่าได้เก็บสะสมเรื่องเหล่านันไว้ในฐานะอย่างไรบางคนอาจจะมองต้นไม้เป็นธรรมชาติที่มีความสวยสดงดงามมีแรงบันดาลใจอาจจะขีดเขียนบรรยายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้ผู้ที่มีพื้นฐานความเข้าใจในสังขารธรรมทั้งหลายก็จะมอง โดยเห็นเป็นอุปมาต้นไม้กับชีวิตชีวิตกับต้นไม้เพราะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าคนที่ไม่มีฟืนจะหุงต้มก็อาจจะมองต้นไม้ที่ตนจะใช้ประโยชน์เพื่อการหุงต้มเป็นต้นได้วิญญาณทั้งหลายจึงเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้นแต่เนื่องจา ก, กจิตใจของบุคคลรับเชื้อของกิเลสมากกว่าปกติ เชื้อของธรรมะเข้าไปสู่จิตใจน้อยการที่จะมองเห็นในลักษณะที่ทรงอุปมาไว้จึงเป็นไปได้ยากเนื่องจากในขณะนั้นตายังรับรูปหูยังได้ยินเสียงจมูกยังดมกลิ่นเป็นต้นอยู่แล้วใจเองก็ยังมีเชื้อกิเลสที่พรุ่งขึ้นมารุ่มรุ่มใจการจะใช้ปัญญาไปพิจารณาในลักษณะดังกล่าวอาจจะพิจารณาได้ เร่ว่าเห็นได้ยากเมื่อบุคคลได้เจริญสมถะกรรมาฐานจนเกิดเป็นสมาธิจิตขึ้นภายในแล้วจิตก็จะรวมตัวอยู่เป็นสมาธิในชานนั้นๆและสามารถที่จะโน้มน้อมไปเพื่อพิจารณาขันธ์ห้าให้เห็นตามความเป็นจริงได้ ดังนั้นเมื่อเกิดความสงบขึ้นบุคคลได้ใช้ปัญญาเข้าไปพินิษพิจารณาก็จะมองเห็นขันห้าหรือนามรูปตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นคือไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตานี่ก็แสดงให้เห็นว่าสมถกรรมฐานมีวิปัสสนาเป็นผล และยิ่งไปกว่านั้นท่านยังแสดงว่าสมถกรรมฐานมีวิชาคือความรู้ที่เป็นผลโดยตรงจากสมถกรรมฐานและเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวิปัสสนากรรมฐานที่ทรงจาแนกความรู้ไว้ในลักษณะต่างๆอย่างความรู้ หรื อ, อยานที่ท่านใช้คำว่าการระลึกชาติก่อนได้ก็ดีการเห็นความจุติความเกิดความแตกดับของสัตว์ทั้งหลายก็ดีหรือการที่จะถ่ายถอนอาสวะกิเลสให้บรรทอบาบางลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปก็ดีเมื่อได้อาศัยสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่มีการกำหนดระลึกพินิจพิจารณามาโดยลำดัก สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นญาณคือความรู้ในลักษณะต่างๆจะปรากฏเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนจนจิตใจมีลักษณะอย่างที่ได้รับสั่งแก่โพธิราชกุมารว่าดูก่อนราชกุมารเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลส ราศจาก์กิเลสเป็นจิตใจที่ควรแก่การงานจึงได้น้อมไปเพื่อรู้ชาติก่อนเพื่อรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายจนถึงก็รรู้อาสวะกิเลสที่มีอยู่และที่จะละไปเป็นต้นสภาพจิตดังที่กล่าวแล้วนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการปฏิบัติสมาธิไม่ว่าด้วยอารมณ์กรรมฐานข้อใดก็ตามเมื่อสภาพจิตมาอยู่ในจุดนั้นความรู้ความเห็นก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นจริงอย่างแท้จริงเหมือนกันดังนั้นความเห็นขัดแย้งของบุคคลผู้เข้าถึงจุดนี้จึงไม่มี ท่านจึงเรียกพระอริยบุคคลระดับต้นคือพระโสดาบันว่าเป็นทิฏฐิสัมปันธะบุคคลคือบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยความเห็นสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือความเห็นความเห็นของท่านจะยุติจะลงการสมกันกับพระพุทธ ร, ร, มรัมลัสที่ทรงแสดงไว้ไม่ว่าท่านจะได้ยินได้ฟังหรือไม่ก็ตาม แต่ความเห็นนั้นจะยุติลงที่ตรงนั้นเป็นการเข้าถึงสั จ, จธรรมแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตั้งหลายท่านเข้าถึงดังนั้นผู้ปรารถนาผลในลักษณะดังกล่าวจะต้องก้าวเดินมาตามขั้นบันไดที่กล่าวมาและผลอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือวิมุตต์ได้แก่อาการที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอนาปานสติกรม า, านดังที่เคยกล่าวถึงพระพุทธดา ร, ร, รัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้แก่พระอนุนเถระเป็นใจความว่าดูก่อนอานุนทมอันหนึ่งที่บุคคลอบรมกระทำไม่มากแล้ว ย่อมทำธรรมะเจประการสี่ประการให้บังเกิดขึ้นธรรมะสประการที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมทำธรรมเจ็ดประการให้บังเกิดขึ้นธรรมเจประการที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมทำธรรมสองประการให้บังเกิดขึ้นแล้วทรงขยายความพระวุทธธรรรัตนั้นว่าธรรมหนึ่งประการที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้ว คืออาณาปานสติภาวนาอาณาปานสติภาวนาที่บุคคลอบรมกระทามดีแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บังเกิดขึ้นสติปัฏฐานทั้งสประการที่บุคคลอบรมกระทามให้มากก็จะทำให้โพชฌงค์เจประการบังเกิดขึ้นโพชฌงค์เจ็ประการที่บุคคลอบรมกระทาให้มากจะทาวิชาและวิมุต สองประการให้บังเกิดขึ้นซึ่งเป็นอาการต่อเนื่องกันของการประพฤติปฏิบัติธรรมะแบบบันได ร, รมนำสู่สุขอย่างที่ได้ว่ามาแล้วแต่ว่าผลที่กล่าวมานั้นบางชั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบอีกเป็นนั้นมากเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่า องค์อริยมรรคทั้งแปดประการจะต้องเข้าถึงความสมบูรณ์เสียก่อนวิชาวิมุติแท้จริงจึงจะบังเกิดขึนแต่ว่าในชั้นที่ลดหลั่นลงมานั้นผู้ปฏิบัติอาจจะอาศัยหลักธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในชั้นนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนได้คืออย่างไร คือการทำความสงบใจในชั้นของว ส, สีที่กล่าวมาในวันก่อนโดยเฉพาะคือพวกจำนานในการข้าวความข้าวสมาธิหรือข้าวฌานอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้เวลาประสบกับอารมณ์อันไม่พึงปรานาก็ทำใจให้สงบอยู่ที่การกำหนดลึก ลมหายใจเข้าออกภาวนาวอกพุทโธหรือนับลมหายใจเข้าออกหรือตั้งสติไว้ในจุดที่ลมกระทบเป็นต้นเพื่อตัดกระแสแห่งอารมณ์อันก่อให้เกิดความกำหนัดกัดเคืองรุ่มหลงมัวมาเหล่านั้นไม่ให้เข้าไปสู่จิตเป็นการไม่ให้เชื้อแก่กิเลสเหล่านั้นการปฏิบัติได้ในลักษณะนี้เป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัย ให้บุคคลผู้ปฏิบัติมีความยินดีในความสงบเพราะเมื่อได้เห็นผลอานิสงส์ของความสงบจากอำนาจของกิเลสเหล่านั้นจากอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นแล้วสั้นท้าความพอใจในความสงบก็จะเกิดขึ้นความเพียรพยายามเพื่อผลดังกล่าวก็จะติดตามมาในชั้นของการใช้ ปัญญาพินิษพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั่นที่จริงวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับพิธีรีตองอะไรมากนักจุดมุ่งหมายสำคัญที่จริงๆก็คือว่าบุคคลจะต้องพยายามตัดความคิดในลักษณะที่คร่ำครวญเศร้าโศกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ร่ำเพอฝ่ายขวัญถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงแต่ให้พยายามกําหนดรู้ว่าเรื่องของอดีตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตและดับไปแล้วในอดีตจะดีหรือเลวก็เป็นเรื่องของอดีตแก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องอนาคตก็คือเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ให้ตั้งสติอยู่ที่ปัจจุบัน มีความรู้เท่าทันต่ออารมณ์ต่อสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาในปัจจุบันอย่างที่ทรงใช้คำว่าตัฏฐตัฏฐวิปัสสติคือให้เห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามพยายามเข้าถึงความจริงในเรื่องเหล่านั้นชั้นใดชั้นหนึ่งให้ได้ อย่างที่มีการสวดมีการเจริญอภินาะปัจเวคคณะกันพิจารณาเห็นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากาเราตึงกฎแห่งกรรมเป็นการเก็บความคิดที่ถูกต้องตามความเป็นจริงไว้ภายในใจเพื่อเวลาประสบกับสิ่งเหล่านั้นจะปรับจิตให้รู้เท่าทันต่ออารมณ์นั้น ไม่เศร้าโศกไม่คร่ำครวญไม่ร่ำไรร่ำพันเมื่อประสบกับปิยวิประโยคคือการพ ร, พราดพลาจากคนอันเป็นที่รักเป็นต้นการใช้สติปัญญาระลึกรู้ในลักษณะนี้อาศัยปัจจุบันธรรมเป็นหลักคือหเห็นประจักษ์ชัดในปัจจุบันอารมณ์อะไรก็ตามต้องแยกอารมณ์ได้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นถ้าเป็นอกุศลก็ห้ามไว้แม่เข้าไปสู่จิตถ้าเป็นกุศลก็ปล่อยเข้าไปสู่จิตพยายามประคับประคองไว้ที่จริงการปฏิบัติอย่างนี้ก็เหมือนกับการใช้ชีวิตธรรมดาสามัญอยู่นั่นเองจะนนว่าคนมาบ้านก็ต้องดูว่าเป็นใคระ้า้เข้ามาหรือไม่หรือแม่เข้ามา ไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาได้หรือว่าทุกคนเข้ามาไม่ได้แต่จะต้องแยกได้ว่าใครเป็นใครบุคคลที่เป็นมิตรเป็นสหายเป็นญาติพี่น้องก็ให้เข้าไปบุคคลที่น่ารังเกียจน่าสงสัยน่าระแวงก็ไม่เข้าไปการครอบครองบ้านเรือนที่สามารถแยกคนได้สามารถจำแนกประเภทของคนที่เป็นมิตรเป็นศัตรูได้ เราจะเป็นการสร้างความสวัสดีให้เกีตตนอารมณ์ที่ผ่านมาสู่จิตก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคืออารมณ์ที่เป็นมิตรกับที่เป็นศัตรูที่บาลีท่านใช้คาว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานั้นคืออารมณ์ที่เพราะเชื้อของกิเลสให้สูงขึ้นอารมณ์ที่น่าปรารถนา ถามนุสิการไม่ดีก็เพิ่มเชื้อกิเลสได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในชั้นหนึ่งส่วนที่เป็นกุศลธรรมก็เป็นที่พึงปรารถนาของบัณฑิตชนทั้งหลายเมื่อบุคคลกาหนดรู้อารมณ์เหล่านั้นว่าอารมณ์ใดเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้กุศลที่มีอยู่แล้วจเจริญเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็นำอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปสู่จิต อารมณ์เหล่าใดที่เป็นการเพิ่มพูนอกุศล<ๆ>ก็สกัดกั้นกระแสะแห่งอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เวลาประสบกับความเปลี่ยนแปลงความพลัดพรากเป็นต้นก็มีสติระลึกรู้เท่าทันต่อเรื่องนั้นๆเป็นการห้ามความรู้สึกเอาไว้แม่เศร้าโศกร่ำไหโดยนัยะที่กล่าวแล้วสติปัญญาระลึกรู้โดยวิธีดังกล่าวนั้น อาจจะใช้ได้แม้แต่นั่งอยู่ในรถเดินบนถนนหรือว่าอยู่คนเดียวในกรณีที่ไม่สามารถจะทำความสงบก็ใช้ความคิดไปในการวิเคราะห์วิจัยธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็จะเข้าใจว่าข้อที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นแม้โดยจินตามายปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการพินิษพิจารณาก็จะเห็นนัยยะของธรรมะเห็นสัจจะของธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในชั้นนั้นๆชัดเจนดียิ่งขึ้นเป็นการหมุนกลับมาเพิ่มพูน ส, สัทธาภาษาทะชันทะความพอใจวิริยะความเปลี่ยนที่มีอยู่ก่อนแล้วให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติธรรมะ จึงเป็นการสร้างปัจจัยที่เสริมส่งซึ่งกันได้กันแม้แต่ในชั้นของศีลสมาธิปัญญาเองซึ่งเป็นหลักใหญ่ก็เสริมส่งกันปัญญาที่สูงขึ้นเป็นการชำระศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นสมาธิที่สูงขึ้นเป็นการชำระศีลและสร้างปัญญาให้สูงขึ้นตัวสมาธิเองหรือว่าตัวศีลเองก็เพิ่มปูนสมาธิและปัญญาได้อาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ ดังนั้นปัจจัยอันใดก็ตามที่จะให้เกิดความสงบและความรู้บุคคลสามารถอาศัยสติปัญญาระลึกพิจารณาปัจจัยและอารมณ์เหล่านั้นเพื่อเป็นการเพิ่มเชื้อของกุศลและธรรมในชั้นนั้นให้สูงขึ้นการปฏิบัติได้ในลักษณะนี้ย่อมจะร่นระยะเวลาของความสงบที่แท้จริง และความรู้ที่แท้จริงให้สั้นเข่าเพื่อตนจะได้สัมผัสผลดังที่กล่าวนั้นในปัจจุบันหรือในที่จะทำนี้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบบุข